กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม่ถูกต้องกรรมเริบได้ไม่ควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายไม่พึงสมมุติสีมาคาบเกี่ยวสีมาภิกษุสงฆ์หมู่ใดสมมติคาบเกี่ยวกันต้องอาบทุกกฎ